ไม่รู้ถึงจึงงมงว่าเลิศดีท่านพุทธทาสพิคุหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหลักสำคัญที่เราไม่ควรจะมองข้าม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 จิตใจเราก็จะเศร้าหมองทันทีเลจิตใจเศร้าหมองกินไม่ได้นอนไม่หลับใจเป็นทุกข์และปล่อยให้ร่างกายเป็นทุกข์ไปด้วยทุกทั้งกายทุกทั้งใจเลยเราจะทำอย่างไรจรึงจะพ้นจากกรรมนี้ได้ท่านผู้ฟังอาจจะเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมอาจจะเคยนะคิดถึงกรรมในอดีตแล้วรู้สึกเศร้าหมองทำไมาจจะพ้นกรรมอันนี้อันนี้เป็นคําถามนะแต่ก็มีคําตอบที่น่าสนใจก็คือ ไม่ว่าเราจะทํากรรมหนักสักตามใดก็ตามไม่ต้องเป็นไปตามกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีทางออกมีทางที่จะปฏิบัติให้ออกจากกรรมนี้หลได้ให้พ้นกรรมได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไปว่าผู้ใ ด, ดก็ตามถ้าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็นําเอาหลักธรรมคาสอนไปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามก็จะสามารถพ้นจากกรรมเหล่านี้ได้เนี่ยเรายังมีทางออกนะจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็น กายานามิตรคือเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็นำเอาวิธีการปฏิบัติที่ท่านแนะนําไว้เนี่ยเอามาปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเราแล้วก็สามารถอยพ้นจากกรรมต่ว น, นั้นได้เนี่ยเรายังมีทางออกนะอย่าโมโหต่ว่าเออเราต้องเป็นไปตามกรรมเนาะแล้วก็ร้องไห้ฮือๆนี่ไปคิดอย่างนั้นเรายังมีทางออกมีทางแก้ไขอย่างเช่นว่ากรรมใดก็ตามความชั่วความผิดอะก็ตามที่เราเคยทําเอาไว้แล้วนในอดีต ถ้าเราสมมึกผิดรู้จักยอมรับแล้วเราก็ไม่ทำกรรมอันนั้นความผิดอันนั้นซ้ำลงไปอีกคือไม่ทำกรรมเพิ่มแล้วก็ไม่ยินดีพอใจในกรรมไม่ดีที่เราทำเอาไว้ไม่พอใจไม่ยินดีมันจะได้ไม่สั่งสมกรรมใหม่ไม่สะสมกรรมไม่ดีเอาไว้ถ้าเราไปยินดีพอใจในที่เราทาไม่ดีเนี่ยโอ้จะเป็นการสั่งสมกรรมเอาไว้นะเวลาราก็จะเป็นทุกข์เลยแต่หน้าขบกันเนี่ย เราต้องสร้างกรรมดีทำความดีให้มากๆเป็นการทดแทนทำความดีให้มากเอาไว้เมื่อความดีมันมากขึ้นกรรมดีมากขึ้นเนี่ยบางทีกรรมช่วยที่เราทำไปแล้วเนี่ยบางทีเขาตามไม่ทันบางทีอาจจะไม่มีโอกาสส่งผลเลยก็ได้เรียกว่าโอาโหสิกรรมไปเลยอุมาไม่เหมือนกับว่าเรามีเกลืออยู่ในโอง่งเรามีน้ำเกลือซึ่งมันเค็มมากไปในโอง่งแต่ว่ามันมีแค่ ก้นติดก้นโอค์เท่านั้นแหละถ้าเราเอาน้ำจิตจืดที่มีรสเค็มเนี่ยใส่เข้าไปมากมากมากน้ําในองค์ที่มันล้อนโอ่งที่มีเพียงน้ําเค็มเพียงเล็กน้อยแล้วก็มีน้ําที่จิตจืดเยอะเนี่ยน้ําเค็มหรือเกลือก็จะทําให้น้ํานั้นเค็มไปไม่ได้หรอกเพราะน้ําจิตมันมีมากกว่าใช่ไหมน้ําเค็มเป็นเสมือนกรำชั่วน้ําจืดเป็นเสมือนกรมดีใส่เข้าไปมากๆคือทําความดีะ เพื่ออะไรเพื่อผลักดันความชั่วกไปมันก็จะมีโอกาสที่จะลบเลือนไปได้ไม่ลบล้างนะแต่ลบเลือนทําให้ความชั่วเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะส่งผลและที่สําคัญอีกอย่างนึ่งก็คือสิ่งใดที่เราทําไปแล้วซึ่งเป็นความผิดเราก็อย่าเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาครุ่นคิดจนนอนไม่หลับจนเป็นทุกข์อย่าเก็บเอามาคิดมันเป็นเรื่องอดีตไปแล้วไม่ใช่เรื่องปัจจุบันปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นนะ เราเป็นเพียงแค่คนเคยทำความผิดเท่านั้นแต่ปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ทำแปลความผิดเราสำนึกได้แล้วเราทำความดีแล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยเจตนาคิดมันก็เป็นกรรมเรียกมนโนกรรมเจตนาคิดมันก็เป็นกรรมกรรมส่งผลทันทีแล้วกันแต่ถ้าว่าเราไม่ตั้งใจคิดไม่เจตนาคิดแต่เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมา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 เป็เพียงอาการของกิตท่านั้นเราได้ไปยึดมั่นถึงมั่นมาเลยถ้าไปยึดมั่นถึงมั่นใหมแล้วก็มันก็จะกระโจนกัดใจเราเมือ น, นั้นใช่ไหมเราก็จะเป็นทุกทันทีเลยกรรมก็ส่งผลทันทีอันนี้กรรมทางจิตนะเป็นทุกทันทีเลยแม้แต่ร่างกายก็เช่นเดียวกันนะอย่างเช่น ว, ว่าเราเป็นทุกข์เมื่อว่างร่างกายเรามีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรังมีความพิการถาวร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 เพาะว่าจิตเราไม่ยึดมั่นถึงมันกายก็เป็นไปตามเรื่องของกายจิตเราไม่ยึดมั่นถึงมันวิบากของกายกรรมของกายก็เป็นอย่นั้นแหละแต่ว่าไม่มีผลในทางจิตเพรจิตใจเราไม่มีความทุกข์เพราะใจเราไม่ยึดมันถึงมันแล้วก็พ้นจากการรมได้แค่มีสติรู้เนี่มันก็หลุดแล้วนะหลุดออกมาจากกรรมเลยนะรู้นี่คืออะไรคือรู้สึกตัวแค่รู้มันก็หลุดพ้นออกมาจากกรรมทั้งหลายทัง้งปวงนี่แหละ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 ก็ทำความรู้สึกตัวออันนี้ทำให้เราพ้นกรรมเป็นคำตอบสุดท้าย